أ م ن ط ا ل ق َ و م ح ت ى إ ذ ا ل ق ي ا ه م ل م ف ق ت ل ه เราเรียนอย่างสันต์โอ้ลาลัมนุลลมนาลัมน فلا تصاحبني <تصفيق> قد بلغت من ل د ن ي เจ้ ا ل ระ ا ل ้าผ ن ้ทรงมีพ ل ن ا ا لله ้ ل รงมีพระเมตตาดีนะขอขอบคุณพระเจ้าเราขอพระคุณพ ن ะเจ้าเราข ا พระคุณพระ ه จ้ ا เราขอพ م ะคุณพระเจ้าเรา ه อพระคุณพระเจ้า ا ราขอพระคุณพระเจ้าเราขอพระคุณพระ د จ้าเราข Allahu um ma biqa asbahna wa biqa a m s a i n a wa biqa nahya wa b i a n a m u t wa i l a k a n n u s u r أعوذ ب ك ل م ا ت ا ل ل َّ ه ت َ م ا ت م ن ش ر م ا خ ل ق أعوذ ب ك ل م َ ا ت ا ل ل َّ ه ت َ م ا ت م ن ش ر م ا خ ل ق أعوذ ب ك ل م ا ت ا ل ل َّ ه ت َ م ا ت م ن ش ر م ا خ ل َ ق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 رضيت ี ا ุบิลลّฮิ ب ا ل บะวับิลิสลามดี د الر ับ ل มุฮัมมัดอิลลัสโวละ س ับ م ีตุบิลลาฮิรับบะ ل ั ه ิลิสลามดีน่าฟับิ س ุฮัมมัดอิลลัสโวละรับดีตุบิลลาฮิรับบะวับิลิสลามพี่น้องที่ร่วมนมาศพระยาศทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลล เราต้องขอบคุณอัลลอุบฮานู ว, วาตาลาที่อัลลอให้เรานอนหลับเมื่อคืนนี้อัลฮัมดุลิลละตื่นขึ้นมาอัลลอฮฺให้ตื่นนะครับตอนนอนเนี่ยนะตอนหลับเนี่ยวิญญาณออกจากร่างแต่ความรู้สึกไม่ได้ออกนะครับออกไปแล้วไปอยู่ที่ไหนแล้ววิญญาณเนี่ยวิญญาณของคนดีเนี่ย จะขึ้นข้างบนไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไปสู้อยู่ที่บัลลังของอ AH ัลลอฮ์ سبحانه และุะสาระส่วนวิญญาณของคนที่สุกกระป๋วิญญาณของคนชั่ววิญญาณของคนจอเลมคนไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอารซูนานะบีเนี่ยวิญญาณขึ้นข้างบนไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ให้ขึ้นแล้วไปไหนอ่ะ ไปอยู่แถวแถวถนนข้าสารเยอะไปเข้าไปในบาร์ในคลับเพรามันสเปคเดียวกัน <c oughs> ฉะนั้นเราอยากจะให้วิญญาณของเราเนี่ออกจากร่างเราเราขึ้นข้างบนใช่ไหมยอยากไหมถ้าอยากก็ก่อนอนเนี่ย <c oughs> ก่อนนอนเนี่ย <c oughs> นมาตยิชาให้เรียบร้อยนามาตสุนทรให้เรียบร้อยแล้วก็นมาตวิเตศให้เรียบร้อย แล้วก็ก่อนนอนจริงๆก็ไปแปลงฟันอาบน้ําน้ำอาดละมาตาปัดที่นอนเมื่อตาปัดที่นอนเสร็จแล้วก็ตอนจะนอนก็อย่าเพิ่งเมื่อเห็นหมอนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะไรนะอย่าเพิ่งคพวดใจเย็นๆ ย, ย, ยกมือขึ้นแล้วก็อ่านเป่าก่อนแล้วก็อ่านสามกุบบิรอศล อ่านให้จบนะกูจะเอาเจรับบินน่าอ่านให้จบเสร็จแล้วก็ลูบตั้งแต่ศีรษะข้างหน้ า, ข, าขัางกลางรอบข้างหลังเท่าที่มือสามารถที่จะลูบไปถึงได้แล้วก็อ่านดวงะก่อนนอนนอนตะแคงเริ่มนอนตะแค ง, งข้างขวาเนี่ยแต่หาก็ทําอย่างนี้ติดเป็นนิสัยนะครับวิญญาณออกจากร่างเข้าวข้าวอัลลอฮฺ แต่ถ้าไม่ทํารูปแบบนี้ดวงญญาณไม่อยากจะขึ้นมนะันสกปรปกขอบคุณอัลล์ น, นะครับที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานมานี้มาถึงสุราะอัลกัขอทวนเรื่องเก่าๆนิดนึงน่งเป็นการเตือนความจำเรื่องดีๆให้โยมกับใครนะโยมกับอัลลอฮ์ เรื่องเร็วๆเน on ี่ยโยงกับใครโยงกับไซต์ตอนตัวอย่างในอัลกุรอานมีเยอะนะครับเช่นนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับท่านบอกว่าก่อนจะาอลลฮรอบบีฮักกออัลลอฮ์ทำให้ความฝันของฉันนั้นเป็นเรื่องจริงนบียูซุฟฝัน แล้วต่อมาความฝันเป็นเรื่องจริงใครให้เรื่องความฝันเป็นเรื่องจริงก็ยาลาฮารอบดีอัลลอฮ์ก็ยาลาฮารอบดีอัลลอฮ์เนี่ยทำให้ความฝันเป็นเรื่องจริงว่าก็อัลลบ…แ์เนี่ยทรงเมตตาฉันไม่ลืมอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เนี่ยทรงเมตตาฉัน อิศะคราญีมินัสิญีให้ฉันออกจากคุปเรื่องดีๆเนี่ยโยงกับใครโยงกับอัลลอฮ์สุภาห์นะอุบานี่คุรานสอนเราเราก็เหมือนกันเรื่องดีๆโยงกับอัลลอ์หหมดอามดูนบียูซุฟโยงกับชายตอนว่จะอาบีคุมมินัลบาดวี มิมบัด ءأن زغش شيطان بيني و بين إخوتي และอัลลเนี่ย <c oughs> นำพวกท่านมาถึงนำพวกพี่พี่ของท่านเนสิบกว่าคนเนี่ยเดินมาจากทะเลทายเข้ามาในตัวเมืองมาขออาหารหลังจากที่ชัยตอนมาร้ายได้ก่อการแตกแตกแช่ ระหว่างฉันและพี่ๆของฉันโยงกับใครชายตอนเรื่องทะเลาะกันเรื่องแยกแยะกันเนี่ยโยงกับใครชยตอนคนที่ทะเลาะกับเราเนี่ยได้ยินเราพูดแบบนี้เขาก็ปลื้มใจอ่ะไม่โทษมันไม่โทษกูษกดีวะ่ะมันโทษะตยๆชายตอนความอะไรนะไอ้ความเป็นมิตรมันยังยังยังคงอยู่แต่าราปเป็นตัวเ อ, เองนี่แหล ะ, ะตัวเหตุ ทะเลาะกันเลยไม่จบเรื่องแยกการเรื่องทะเลาะกันนี่โยงกับใครใช่ตอนนี่ก็ให้พวกเรานึกตรงนี้บ่อยๆอาที่มานั่งอ่านคุรานี่นะโยงกับใครอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้และมีครูเป็นดรกเตอร์ด้วยแต่ครูมันมีลับแล้ววันนี้นะเอาก็ขอบคุณเราวันนี้เราอ่านมาถึงอายะที่เท่าไหร่นะอายะมาเจ็ดสิบสาม "قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسر" กล่าวแล้วนะมูซากล่าวกล่าวว่า "لا تأخذني" แปลว่าอย่าเอาโทษกับฉันเลย อาขด้อเอาโทษทีนี่ลาตูอาคิสนีอย่าได้นะอย่าถือสาฉันหรืออย่าเอาโทษกับฉันเลยบีมานาซีตุในข้อที่ฉันลืมในข้อที่ฉันลืมลืมอะไรอะ่ะลืมคือวะลีขอเ ด, ดเนี่ยสั่งมูซาวอก ว, ว่าถ้าท่านจะเดินทางไปกับฉัน ไปหาความรู้กับฉันเนี่ยมีข้อแม้ว่าท่านจะต้องไม่อะไรนะไม่ไม่ทักไม่ท้วงเห็นก็ให้ทําไปเฉยๆอย่าท้วงครั้งแรกเนี่ยนบีมูซาเห็นไปฆ่าอะไรนะไปเจาะเรื อ, อพอลงไปคนสองคนพอเจาะเรือพอเจาะเรือปั๊บแม่นบีมูซาท้วงไปเจาะเรือทําไม รอลลนี่ไหมอะบิมูสาแก้ตัวบอกว่าฉันลืมข้อที่หนึ่งฉันลืมใช่ไหมก็นี่ไงลาตอาคินีบิมานาซีตุอย่าอะไรนะอย่าเอาโทษกับฉันเลยอย่าถือสาฉันเลยในข้อที่ฉันลืมยังพอรอดตัวไปหน่อยข้อที่หนึ่งฉันลืม ว่ลาตุรฮิกนีมินอัมรีออสรอและอยาาโบดเข้มนวดฉันอุสรอลำบากว่ลาตุรฮิกนีฮุดตุรฮิกนีแปลว่าเข้มนวดกับฉันนะครับอุสรอให้ลำบากมินอัมรีในกิจการของฉันที่จ ะ, ะแสวงหาความรู้ อัมรีหมายถึงสแสวงหาความรู้ในกิจการที่ฉันต้องเดินทางมากับท่านมาสแสวงหาความรู้ถ้าฉันท่วงนิดหน่อยก็อย่าถือเป็นเรื่องใหญ่เลยอภัยให้ฉันเถอะเพราะฉันทำด้วยความลืมคืออลัลมะห์เนี่ยความจริงนบีนบีใครนะั่นนบีมูซาเนี่ยเป็นเป็นนบีมีความรู้อลัลลอฮ์ให้ความรู้เยอะนี่เป็นลักษณะของอาลิมลมอัลมะห์หรือว่า คนที่เป็นนบีทุกคนคนซอลิฮีนคนซุดดีกีนอัลมะทั้งหมดในเวลาเห็นอะไรไม่ดีทำไงเขาก็จะแนะนำจะติ้งไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ได้นี่เป็นมารยาทและเป็นอัครราช ข, ของคนที่มีวิชาความรู้เหมือนกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกทำอะไรผิดเนี่ยเราก็ต้องพูดแต่ต้องพูดดีๆนะอย่างนาบี มูซาเนี่ยพูดกับอวะลีคอเดเนี่ยพูดดีไม่า ด, ดายดาเราพูดดีท่านทําทําไมอย่างงี้เป็นการเตือนละฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องเป็นเรื่องดีนะครับอ้า <c oughs> ววะลีคอเดธเนี่ยนะครับถ้าวาลีคอเดธเนี่ยเอาเรื่องหรือว่าโกรธฉันเรื่องการลืมเป็นเรื่องใหญ่นะ ถ้าหากว่าวาลีคอดิตเนี่ยมองว่าเอ็งลืมเนี่ยฉันไม่ยอมฉันจะต้องเอาชนะให้ได้นะฉะนั้นต้องการจะบอกว่าถ้าเขาเขาเขาลืมหรือฉันลืมเนี่ยต้องให้อภัยเขาเหมือนกันก็ อ, อยู่ด้วยกันกับยามาอาเฮาเราเนี่ยรวมรวมกันอยู่กันหลายคนถ้รับปากบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาลืมที่จะทําทเนี่ยก็ต้องอะไรนะก็ต้องให้อภัยถ้าถือเรื่องการลืมเป็นเรื่องใหญ่ก็ทะเลาะกัน นี่เป็นมารยาทในในอิสลามนะและอย่างหนึงการลืมเนี่ยเป็นงานของใครอ่าเป็นงานของชายตอนนะครับวลาอันซาเนหุอิลลัชชยตอนเรื่องที่พาปลามาใช่ไหมเสร็จแล้วก็มานอนพักอยู่ที่โขดหินเสร็จแล้วปลานี่มันฟื้นแล้วก็มันก็ดิ้นหาทางลงทะเล อยู่อยู่ซาเบ น, นูเนี่ยลืมเล่าให้นบีมูซาฟังไอ้ความการลืมอันนี้มาจากไซต์ตอนทุกคนต้องเข้าใจว่าอ๋อไอ้เรื่องลืมลืมมาจากไซต์ตอนทั้งหมดบางทีเว้นหาหาเว้นตาอาลัลลอฮ์ตาอยู่บนหัวนี่แหละยกขึ้นหาดังนั้น้านาทีนี่มาจากไซต์ตอนทั้งหมดนะต้องโยมกับไซต์ตอน <c oughs> เอาอาย่านี้ต้องการจะเตือนว่างไงนะอย่า เอาอย่าถือสาอย่าเอาโทษกับฉันเลยนะครับในข้อที่ฉันลืมอ่าห้มดุลิแลนี่เป็นความรู้นะคนลืมลืมใครก็ลืมเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมาจากคาว่าอินซานแปลว่าคนนาซิยาแปลว่าลืมฉะนั้นอินซานเนี่มนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่มักจะลืมถ้าไม่ลืมเนี่ยดีไหมว่าไม่ดีจำทุกเรื่อง ก็รอจําทุกเรื่องก็ดีไหมไม่ดีลืมทุกเรื่องก็ไม่ดีฉะนั้นลืมเป็นบางเรื่องนะดีเรื่องทะเลาะกันลืมลืมบ้างก็ได้นะไหมฉะนี้นบีพูดนะอย่าจํำในเรื่องดีอย่างเดียวคนถ้าจํำในเรื่องดีอย่างเดียวจะมองตัวเองเนี่ยโอ้โหชั้นหนึ่งเลยฉันอะลืมเรื่องดีๆบ้างก็ได้แต่จําเรื่องเลวๆถ้าจำเรื่องเลวเนี่ย มีโอกาสได้ตบตัวต่อ a เยอะพนมาติอัสตัฟรุลลอฮ์ฉันบาปอะไรบ้างเนี่ยนึกออัสตัฟุรุลลอฮ์อัสตัฟุรุลลอฮ์อัสตัฟรุลลอฮ์ตูบอีไลเนี่ยทให้เรานึกถึงบาปของเรานะเอาต่อมาอายสี่สฟัลมอละฮัลกีะรลมัมฟะกตลละ ข้าและะ้วกนส k i a ทำบิกรอยดินัพส์แล้วก็จะจิตจะใช้อันอุครอเจ็ดสิบสี่ <c oughs> ฟัะะะ่มปอลโกดังนั้นทั้งสองคนจึงออกเดินทางฟั่มปอลโกเนี่แปลว่าออกเดินทางทั้งสองคนนี่ออกเดินทาง พัจจายาลาติยาจนกระทั่งเมื่อทั้งสองทั้งสองคนเนี่ยไปพบใครลาติยาแปลว่าเขาสองคนได้พบลาติยาลาติยาเนี่ยคนที่เรียนวิชาหนังหูเนี่ยต้องจำนิดนึงนะลาติยากูร่ามันแปลว่าเด็กสองคนนี่ออกเดินทางจนกระทั่งอิยาลาติยา เมื่อทั้งสองพบเด็กคนหนึ่งกูล่าแปลว่าเด็กคนหนึ่งเด็กเนี่ยอายุเท่าไรในตับเส้อธิบายดีนะอธิบายบอกว่าไปพบเด็กคนหนึ่งที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะาเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะเด็กคนนี้กําลังทําอะไรอะ่ะ การายาลอาบุมาอัลกิลมานฟีกอริยตินมินอลโครอเด็กคนนี้กำลังเล่นอยู่กับเด็กคนอื่นๆกำลังกระโดดโลดเต้นกันอยู่อยู่ในตำบลหนึ่งนะแล้วก็เด็กคนนี้หน้าตาเป็นไงหน้าตาหล่อน่ารักสวยหน้าตาดีมากสวยที่สุดนะหล่อที่สุดอยู่ในอยู่ในเด็กนั่นแหละหน้าตาหล่อมากนะ ที่ตำบลแห่งหนึ่งมีเด็กกาลังเพลิดเพลินอยู่กับการลเล่นหนึ่งในจานวนนั้นมีเด็กหน้าตาดีคนหนึ่งวะลีคอดิษมาเดินไปกับนบีมูซาเห็นเด็กคนนี้เดินไปหาเด็กคนนี้เลยไปถึงไปจับพอจับเสร็จแล้วเนี่ยเด็กคนนี้มีชื่อว่ายัยซูรนะในตับเซีิบโนกาเซ่นนะชื่อยัยซูรไม่ต้องจาชื่อก็ได้นะ นาะยใจสูดมรพูดภาษาอะไรนะทีแล้วก็ท่านก็ไปเอาเนี่ยนะเอาหินเนี่ยโคกเคาะที่หัวเด็กเอาหินเคาะที่หัวเด็กเด็กตายอ่ะโอ้ฝากอตาแ ล, ล้วฮูวลีคอดดสเนี่ยฆ่าเด็กคนนี้เด็กคนนี้ชื่อให่สูดหน้าตาหล่อที่สุดในกลุ่มเด็กแต่แม่ยังอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ นี่ทั้งหมดนี่นะเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะต้องการจะสอนนบีมูซาอะเลฮิจสลามนาบีมูซาก็มีความรู้อยู่แล้วนะแต่คนที่มีความรู้มากกว่านาบีมูซามีไหมมีอัลลอฮ์ต้องการจะเตือนพวกเราที่อ่านคุอ่านวันนี้แล้วก็สอนนบีมูซาด้วยสอนพวกเราวันนี้ก็คือว่าใครจะมีความรู้แค่ไหนก็ตามแต่ความรู้อีกอย่างหนึ่งเฉพาะทางางที่เราไม่รู้ใช่ไหม ฉะนั้นเราต้องยอมรับอุลามะทุกคนเนี่ยตะการ บ, บทไม่ได้เรารู้เรื่องนี้แต่้เรื่องนี้เราไม่รู้เรื่การคุมหอภักเนี่ยตร ง, ตรงมอบในออสเตรีคนอื่นคุมไม่ได้ไม่เป็นใช่ไหมเราก็เก่งบางด่างแล้วก็ครูบางคนก็เก่งคุณจเจริญเก่งเรื่องหนึ่งอีกคนนั้นก็เก่งอีกเรื่องหนึ่งแต่มาอยู่ด้วยกันอันทำโดุลินละคุณอ่านสอนสอนทุกเรื่องนะเอาเสร็จแล้วกอแหละ น บ, บีมูซาติตงเลติงเป็นครั้งที่สองกอตัลตานับสันจากียะตันบิร้อยดีนับเขามูซาจึงกล่าวว่าท่านฆ่าชีวิตนะครับอากอตัลตานับสันอานี่แปลว่าหรือท่านเนี่ยฆ่าชีวิตเด็กที่ไร้เดียงสาหรือว่าบริสุทธิ์จากี่ยะตันแปลว่าบริสุทธิ์ท่านเนี่ยได้ฆ่าเด็ก ที่บริสุทธิ์บิรยรนิพพินไม่ได้ผิดต่อชีวิตคือเด็กคนนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดต่อชีวิตคือเด็กคนนี้ไม่ได้ฆ่าคนอื่นถ้ามีการฆ่าคนอื่นก็เป็นการฆ่าเพื่อการแก้แค้นที่อัลอิสลามได้วางกำหน ด, ดเอาไว้นะครับถ้าเด็กคนนี้เด็กบริสุทธิ์แล้วไปฆ่าเด็กทำไม แล้วก็จะยิ่จะใช้อันนุเคโรอโดยแน่นอนยิ่งท่านได้นำมาซึ่งเรื่องร้ายแท้แทแท้จริงท่านได้ทำสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งการฆ่าเด็กเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องบาปและเด็กคนนี้เป็นเด็กเล็กๆอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเด็กก็หน้าตาดีด้วยท่านทำเรื่องบาปใหญ่มากเลย ในฮะดีษอธิบายบอกว่า <c oughs> ท่านอุบายยิบมีกาบินกอละกกานับนบีสุลลัลอะลัยฮุสสลามอิดาดะคารออาฮัดันท่านนบีพูดนะเป็นการอธิบายอาย่านี้แหละบอกว่าคือนบีมูซาเนี่ยนบีมุฮัมมัดเคยพูดชมบอกว่า นบีมูซามาเนี่ยแล้วก็ไปเรียนกับนบีคอดิดเนี่ยทําให้เราได้รู้อะไรเยอะเพิ่มขึ้นฉะนั้นเมื่อเรานึกถึงนบีมูซาตอนนี้เนี่ยนะนึกถึงนบีมูซานึกถึงวะลีคอดิดเนี่ยให้เราขอด้วยอาต่ออัลลอฮ์ด้วยขอว่าไงอะ่ะเช่นอลัลลอฮ์เนี่ยโปรดประทานเมตตาให้กับนบีวะลีคอดิดประทานความรู้ให้กับวะลีคอดิด แล้วก็ประทานตำแหน่งให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามใช่ไหมเมื่อเรานึกถึงเขาแล้วก็ขอดุอาให้เขารอฮฺมะตุมมินนลลอฮฺหรือรอฮฺรอฮมะตุมมิโลลอฮขอความโปรดปรานจงประทานให้กับนบีมูซาด้วยถ้านาบีมูซานี่นะไม่ไม่ท้วงวะลีคอเดนเนี่ยเราจะได้รู้อะไรอีกเยอะนี่เพียงข้อที่สองนี่ท้วงอีกแล้ว ข้อที่หนึ่งเห็นท่วงข้อที่สองเห็นท่วงเห็นกี่ข้อทั้งหมดทั้งหมดมาสามข้อนะที่ท่วงนะท่วงอยู่สามข้อนบีออกมาบอกว่าถ้ามีหลายๆเรื่องท่านเราจะได้มีความรู้เพิ่มเติมอีกเยอะแต่ว่าท่านทนไม่ไหวครั้งที่หนึ่งเห็นทําอะไรผิดกดท่วงครั้งที่สองก็ท่วงนี่ครั้งที่สองใช่ไหมครั้งที่สองเอาต่อมา <c oughs> ท่านนาบีสอนบอกว่าอิดะดะคารออาฮัดัน เมื่อคิดถึงคนหนึ่งคนใดฟาดาอาและฮูวควรขอดูอาให้เขาในขณะนี้เนี่ยเราคิดถึงใครอ่ะ <parece> เราคิดถึงคนคนหนึ่งเอาเราคิดถึงมาเราอ่าคิดถึงย่อเราที่เสียชีวิตไปแล้วขอดูอาว่าไงดูอาในกุรานที่อัลลอฮ์สอนก็คือรอบบิบุฟิลีวาลิวาลิดายะ วารหัมภ ah, si si ูมากรมาราบ่ายนี้สติโรนี่เวลาเราคิดถึงแม่เราปะเราจะเสียชีวิตหรือยังไม่เสียชีวิตก็ตามอ่านดูอ้าบทนี่เราบึกฟินลีวาลีวาลีด้อวารหัมภูมากรมาราบ่ายนี้สติรอัลลัฮุนีสดีมากเลยนี่เทีนี้นบีมุฮัมมัดสอนไปว่าเมื่อท่านคิดถึงนบีมูซาเนี่ยที่นำเอาของดีๆ มาให้เราได้ยินได้ฟังเนี่ยฟาดาอาลาหูบาดาอาบินัซีฮ si ควรขอดุอาให้กับนบีมูซาก่อนที่จะขอให้นบีมูซานี่ให้ขอให้กับตัวเองก่อนบาดาอาบินับซีฮ si เริ่มขอดุอาให้กับตัวเองก่อนฟากล็ลนะครับนบีพูดว่าวันหนึ่งให้พูดว่ายังงี้ رحمة الله علينا وعلى موسى ขอความเมตตาจาก Allah จงประสบแด่พวกเรา وعلى มูซาแล้วก็ประทานความเมตตาให้กับนบีมูซาเราละบิสมาอัลฮิบิฮิละอัลลอฮิละเจบะถ้าหากมูซานี่นะอยู่กับวาลีขอดิษไปเรื่อยๆนี่นะ และอับดุลอห์จะบเราจะได้เห็นของแปลกๆเยอะไปหมดเลยนี่อยู่ได้กี่เรื่องนะแค่สามเรื่องเอง่าสามเรื่องเลิกกันเลยแยกออกจากกันฉะนั้นเวลาเราคิดถึงนบีมูซาต้องขออุทิศวะราะห์มะตุลลอหเราคิดถึงมะเราว่าไงนะราเบียฟิลลีวาลิวาลิดายวะรฮัมฮุมา การมารบบายานีสอริรอเมื่อเราคิดถึงเพื่อนๆนของเราเนี่ยที่เคยเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันในอินเดียใช่ไหมว่าไงรอฮมัตุลลอฮอะนะัยนาวะละตัะชื่ออิบรอฮีมวะละอิบราฮิมขอความเมตตาจงประสบแด่เราแล้วแล้วก็แก่อิบรอฮีมเพื่อนรักเราที่อยู่ที่เซาทอาฟริกายกตัวอย่างฉะนั้นเมื่อคิดถึงเพื่อนเมื่อคิดถึงใครคนหนึ่งคนใด กำลังนั่งๆก ง, งเดินเดินกำลังนั่งอ่านกูนอา น, อ, า น, อ, า น, อ, านอยู่อะไรก็ตามแต่เมื่อนึกถึงปั๊บเนี่ยไอ้นึกได้ว่าไงนะรหมมัตุ ล, ลออะไรนะวาลาเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งชื่ออะไรขอความเมตตาจงประสมแด่เราแล้วก็ประสมแด่คนที่เรารักอยู่ที่ไหนก็ตามแต่เดี๋ยวที่ตายไปแล้วก็ได้เอ่ยเชื่อของเขาในการขอพอรอย่างนี้เป็นต้นขอบคุณอัลลอฮฺ س ب ح ا ฮ ه และก็ุ์ตาลานะครับ แล้วก็จะใช้อานุโครโดยแน่นอนยิ่งท่านได้นำเรื่องราวที่ร้ายแรงนะครับที่ร้ายแรงให้เกิดขึ้นอธิบายแล้วนะว่าเมื่อสองคนนี้เดินทางออกไปไปพบเด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะวารีคอริดจับคนเด็กคนนี้แล้วก็ฆ่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรนะ ชื่อยจซูลอยู่ในตำบลตำบลหนึ่งข่าทำไงเอาหินนี่นะโคศิษะฝักตาลาหูแล้วก็เด็กคนนี้ก็เสียชีวิตพอข่าเสร็จเนี่ยนบีมูซาทนไม่ไหวก็ละถามบอกว่าอากตัลตันับสัจกิยะทันท่านเนี่ยไปฆ่าเด็กที่ไรเดียงสาเด็กที่บริสุทธิ์ทาไม บิรยีรีนับสิ้นโดยที่เด็กคนนี้ไม่ได้ทําผิดอะไรเลยถ้าจะฆ่าเนี่ยมันก็ต้องฆ่าอะไรนะ เ, เขาเด็กคนนี้ไปทําิดความจริงเด็กถ้าไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยไม่มีกิซซอสนะไม่มีการแก้แค้นนะถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยการแก้แค้นแก้ไม่ได้ถ้าเด็กคนหนึ่งอายุแค่สี 5, ่ 6, ัวบห้าขวบหกขวบเจ็ดขวบเนี่ย ไปฆ่าคนอีกคนหนึ่งไปทำอะไรผิดเนี่ยรง ก, การฆ่าเนี่ยไม่มีกิจอสไม่มีอะไรนะไม่มีการแก้แค้นนี่ลการอิสลามโตความรู้นี่ดีมากนะทำดีๆแล้วก็จะยิจะใช้อันนุกรอแท้จริงท่านได้ทำของที่ที่ร้ายแรงยิ่งต่อมาอายาที่75็ดสากอละลัมอากุลากะยิน นักแลนต์จะตั้งตีงามัยอศบราท่านเขาขัดพูดบอกว่าอาลัมอักุลละกะฉันไม่ได้บอกท่านดอกหรือว่าอินนักแลนต์จะตั้งตีงามัยอศบราท่านไม่สามารถมีความอดทน ซับบร์เนี่ยแปลว่าอดทนอินนากะแท้จริงท่านลันตัส ต, ติยะมิสามารถที่จะอดทนมาเยะร่วมกับฉันวะลีคอดิษได้เน้นเตือนนบีมูซ่าเป็นครั้งที่สองนะเหมือนครั้งแรกแต่ท่านมิสามารถมีความอดทนร่วมกับฉันได้ ครั้งแรกนะบีมูซาเนี่ยลืมครั้งที่สองเนี่ยไม่ได้ลืมนะตั้งใจพูดตรงๆเลยฉะนั้นต้องการจะอธิบายนะครั้งแรกเนี่ยขอจะอัอ น, อนุโลมให้โอเคลืมลืมโทษช้ยตอนได้แล้วครั้งที่สองนี่พูดอิฐโทษใครคือต้องการจะบอกว่าคนดีเนะี่ยคนมีาศาสนาเห็นอะไรผิดต้องอะไร ต้องเตือนนี่ไงเห็นอะไรผิดต้องเตือนอ่าคือคนที่มีความรู้ด้านสิรียส์ด้านาศาสนานี่ยนะเขาจะลืมนะสัญญาที่พูดว่าฉันจะไม่เตือนท่านเนี่ยนะอันนั้นอินชาอัลลอฮ์มีใช่ไหมอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่มีคําว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยคำเตือนเนี่เป็นเรื่องร้ายแรงมากเลยแต่ต้องการจะอธิบายว่าอาเลมอัลละมัคนดีๆหรือเป็นพ่อเป็นแม่ เห็นลูกๆทําอะไรผิดเนี่ยต้องอะไรนะต้องเตือนนะครับและอีกเรื่องหนึง่งต้องการจะบอกว่าเมื่อ น, นึกถึงเพื่อนเดินนึกถึงใครคนหนึ่งคนใดนึกแล้วต้องขอดุอาต่อลรอให้ประทานความเมตตาให้กับคนที่เรานึกถึงก่อนที่จะขอให้คนอื่นขอให้ใครก่อนขอดุอาให้กับตัวเองก่อนอรอและทำอย่างนี้แล้วนี่น บ, บีอธิบายเอาไว้หมดเลยฉะนั้นอุนดขอดุอาให้กับพ่อแม่เนี่ย ขอให้ตัวเองขอนขอว่าไงนะรอบบิฟิตรีเอเมนไหมโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กแกฉันวาลิวาลีได้อยให้กับบิดามารดาของฉันวะรฮัมฮูมาประทานความเมตตาให้แก่ท่านทั้งสองกามารอบบายาณีสอริรอเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ทรงเลี้ยงดูเรามาเนี่ยอัลลอฮ์น่ยให้แม่เราเลี้ยงดูเรามาตอนเล็กๆ ก, ก็ดูแลยังไงตอน พ่อแม่แก่ๆก็ให้เราดูแลเหมือนกับพ่อแม่ดูแลฉันมาตอนเล็กๆให้ดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะครับต่อมาอายาที่จสิบหกนะครับกคลาอินซาลตุกะอันชัยอิมบะดาฟาลาตุซาฮิบเนีกาดบะละกต์มิลลาดุนนีอูซรอ กอลอินซา ت ัลตุกันชนนี่นับบิมูซาพูดนะกอลอิน أ าอัลตุกะุแปลว่าถ้าฉันถามสิ่งใดกับท่านอ ن س ซาอัุกถ้าหากฉันถามสิ่งใดกับท่านวลีขอดิษอนันชั ي อสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ้าไดหลังจากนี้ อีครั้งที่สองผ่านไปแล้วนะสัญญาใหม่ครั้งที่สามอินซลตุกอันชอิมบาดาถ้าฉันถามสิ่งใดกับท่านหลังจากนี้ฟลาตุซฮิบนีซาฮิบนีแปลว่าร่วมฟลาตุซฮิบนีก็จงอย่าเอาฉันร่วมมิตร อย่าเอาฉันร่วมกับท่านนะครับอย่าเอาฉันร่วมมิตรเลยแล้วก็เดบาราคุตาเิลัดุลนี้อุจรแน่นอนท่านได้ข้อแก้ตัวอุปอจรแปลว่าขอ้อข้อแก้ตัวอุจรแปลว่าข้อแก้ตัวฉะนั้นคําว่าอุจรอุจรในคุณอานเนี่ยแปลว่าข้อแก้ตัว ในคัมภีร์คุณอ่านผู้เรื่องอูรด์นบีบอธิบายต่อเนี่ยคนที่ไม่สามารถที่จะมานมาด ร, รวมกันกับยามาอาได้เนี่ยคนที่เรียกว่ามีอูรด์เนี่ยมีอยู่สามรายการนะที่ไม่สามารถที่อนุญาตให้ไม่ต้องมาณมา ร, รวมกันกับยามาอาได้คําว่าอูรดเนี่ยมีอยู่สามอย่าง อย่างที่หนึ่งอะไรนะฝนตกข้อที่สองป่วยข้อที่สามกลัวนี่เขาเรียกอุจนมีข้อยกเวน้นนะครับมีข้อแก้ตัวที่อัลลอพอใจเอาคนที่ไม่สามารถมานามารวมกันกับยะมะได้เนี่ยอย่างมะนาววันศุกร์เนี่ยมาไม่ได้อย่าขาดนะครับพยายามรักษามะมานี่ให้ ให้สม่ำเสมอสรักษากรรมยามาให้ได้ยกเว้นที่มาไม่ได้มีอยู่สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งอะไรนะฝนตกบางคนฝนตกกับการรวมมานะห้ำเนเขารักนะอยู่บ้านนี่นาะมาสะๆร์จะไม่ส้ออ้าวดีไม่มีปัญหาดีนะแต่ฝนตกเนี่ยกขาเว้นพอฝนตกปั๊บนี่นะให้นามารวมได้เลยอย่าง อิชากับมักริบเนี่ยตอนมักริบเนี่ฝนตกนี่ยพอฝนตกภาพนี่นะคนที่รักษาซุน่า น, นาบีเนี่ยเขาจะ น, นามาดอิชารวมกับกบนามาดมักริบเลยถ้าฝนตกฉะนั้นฝนตกเนี่ยนะครับมาจะมามัสยิดได้อนุญาตให้นามาดรวมเลยได้นะมักริบกับอิชาสองป่วยคนป่วยนี่นะถ้ามานามาดที่มัสยิด ก่อนป่วยเนี่ยมานมามอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าป่วยมาไม่ได้นำมาที่บ้านไม่ใช่ได้เท่าเดียวนะเหมือนกับเขานมาที่มัสยิดเหมือนกันแต่ผลบุญเท่าไรยี่สิบห้าเท่ายีิบเจ็ดเท่าเพราะตอนเราแข็งแรงเรามานมามประจำเราไม่หยุดใช่ไหมเราไม่มาเรามาประจำเวลาเราป่วยผลบุญเท่ากับเรานมาที่มัสยิดอัลลอฮฺอัลลอฮบัดนี่ใช่ไหมดีมากๆเลยอ่า คือคำสั่งของนบีนี่นะมันใช้ได้ตลอดอนะเหมาะกับกทีบ่ตอนมัสยิดจะมีมีลังคาจะเดินมานตอนเดินมานะบางคนไม่มีร่มบางอะไรบ้างฉะนั้นคำสั่งของนบีเนี่ยใช้ถึงวันตื่นม า, าฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยอย่างเมืองไทยเนี่ฝนตกเยอะใช่ไหมโอกาสที่จะนมาต ร, รวมที่บ้านเนี่ยบ่อยขึ้นใช่ไหม แต่คนซาอุดีเนี่ยรอปิ้งฝนตกไม่กี่วันใช่ไหมเอาละเมื่ออัลลอฮ์วางหลักการไว้แล้วก็เดินตามสุนนะทานนาบีมุฮัมมัสสดสุลล็อตมุสลัมเอาสรุปง่ายๆอุซรออุซรุรนแปลว่าอะไรนะข้อยกเว้นอ่าก็เลยสั่งทุกงานอช่บาดาฟะทุกทรัพย์นี ก็เดบลาก็จะมิลลุดน้าอุตรอเขามูซากล่าวว่าบัลลุดนีอุตรอเขามูซากล่าวว่าถ้าฉันถามสิ่งใดจากท่านหลังจากนี้ก็จงอย่าเอาฉันร่วมเดินทางกับท่านแน่นอนท่านได้ข้อแก้ตัวจากฉันมามากแล้ว แก้ตัวครั้งที่หนึ่งนบีมูซาอ้างว่าฉันลืมแก้ตัวครั้งที่สองอันนี้ตั้งใจติงเลยเขาอธิบายบอกว่าบรรดาคนที่มีความรู้ด้านศาสนาลึกซึ้งมากๆเนี่ยเห็นคนทำผิดเนี่ยบางทีลืมข้อสัญญากันไว้เป็นห่วงก็เลยแนะนำตักเตือนอันนี้ไม่ผิดไม่มีปัญหาเอาต่อมาอายาสุดท้าย77นะครับพี่น้อง ف َ م َ ط َ ل َ ق َ حَتَّى إِذَا أَتَيَ أَهْلِ ق َ ر ْ ي َ ة ٍ إِسْتَطَعَ م َ ا أ َ ه ْ ل َ ه َ ا ف َ أ َ ب َ و ْ ا أ َ ن ْ ي ُ ض َ ي ِّ ف ُ ه ُ م َ ا فَوَجَدَ ا فِيهَا ج ِ د َ ا ر َ ا يُرِيدُ أَيْضًا قَبْ فَأَقَامَ ه ُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَت َ แต่ข้าตั้งเลายที่อัจรอ่ฟัมตัลก็แปว่าทั้งสองคนออกเดินทางนี่มครั้งครั้งครั้งครั้งที่สามแล้วนะฟัมตอนเรทั้งสองคนออกเดินทางต่อไปฮัตตาอิยาอาตายาจนกระทั่งเมื่อทั้งสองพบ อาตายาทั้งสองเนี่ยเดินทางไปถึงอะฮลอกอริยาตินชาวเมืองหนึ่งอะฮลอกอริยาแปลว่าชาวเมืองหนึ่งเดินทางไปพบเมืองหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งแล้วก็พบกับประชาชนคนในเมืองนั้นสเสร็จแล้วเป็นไงอิสตออามาอะฮลาฮนบีมูซากับวะลีคอดิด ขออาหารจากชาวเมืองนั้นขออาหารชาวเมืองนั้นเมื่อไปถึงแล้วน่ทำไงนะขออาหารที่ขออาหารเนี่ยพอเขาถือว่าเขาเป็นแขกทำไมต้องขอทำไมชาวเมืองไม่ต้อนรับต้องการจะบอกว่าชาวเมืองนั้นวันนั้นเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจชริอัลอิสลามก็ได้ พอตามหลักทั่วๆไปเนี่ยเวลาแขกมาถึงบ้านเราเราจำเป็นที่จะต้องต้อนรับแขกเพราะการต้อนรับแขกนั่นเป็นหลักการของอิสลามนาบีสอนว่าไงมังกานายุมิโุบิลลาฮิวัลยาะมิลอาครัฟัลยุกริมดอยฟูใครที่ศรัทธาต่อ Allah และศรัทธาต่อวันอาคิรา เขาจงให้เกียรติกับแขกของเขาแสดงว่าคนหมู่บ้านนี้มีข้อตําหนิยอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้อนรับแขกทีนี้เมื่อเมื่อแขกไม่ได้ถูกการต้อนรับจากจากชาวบ้านเนี่ยทําไงเขามีสิทธิ์ขอเลยน ะ, ะตับซิดอธิบายดีนะฮะสิฮิลอายอะดาลีลุนาลาูอา سؤال القوت แป ล, ลาานี้ ต้องการจะอธิบายว่าให้แขกนั้นทวงถามอาหารได้โอ้เห็นไหมพระคุอรันต า, านี่ว่าไงนะพอมาถึงปั๊บอิสตะตออาอิสตะตออามาอิสตะตะอามาอาหลา์ละเขาทั้งสองจึงขออาหารเห็นไหมเขาทั้งสองขออาหารตรงนี้อธิบายว่าไงนะดาลีลุนอาลาสุเลิลกูด อนุญาตให้ขออาหารจากเนี่ยอยางมานั่งที่มัสยิดเนี่ยขอทุ่อิหมามได้เลยขออาหารหน่อยครับแล้วก็ต้องฟักกระตันแล้วก็วามันยาว่าบยะัลฮอัยยัลบมายรุดดูจุจ้าาูในทัศิกุตุบีอธิบายว่าถ้าแขกหิวแขกมีสิทธิ์ที่จะขออาหารจากเจ้าของบ้านได้ เพื่ อ, อยับยั้งความหิวของเขาไม่ผิดหลักศาสนาจากคุอ่านอญยาี้โอจะทำอยู่เลยล ะ, ลละตีนี้เขาบอกว่าคนง้ง้อตักซีอธิบายแสบนะพวกซูฟีง้อง้ออไม่อยากจะพูดคำนี้เลยนะพวกซูฟีควาจริงซูฟีในอิสลามไม่มีเขาบอกวพวกจูฮัลซูฟีซูฟีอ่ะพวกซูฟีที่ไม่เข้าใจาอิสลามเนะี่ยบอกว่า การขออาหารเนี่ยไม่อนุญาตให้อือโอ้พี่น้องครับเอา้าไม่เป็นไรอ้าอาญ า, านีข้อที่หนึ่งได้รับความรู้ว่าไงนะอิสตะตออามาอิสตาตอมาอะ์ละหทั้งสองจึงขออาหารจากชาวบ้านโดยถือว่าตนเองเป็นแขกฟาอาบาวคนในเมืองนั้นปฏิเสธหรือว่าตอบรับ พะอ า, บาเบแปลว่าปฏิเสธพระอาเบลไอยูดอยฟูหูมาแต่พวกเขาปฏิเสธที่จะต้อนรับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่เขาทั้งสองอัลลอฮอักบัดเห็นได้ยังนะการต้อนรับแขกนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นาศาสนาด้วยนะครับแล้วก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮเยอะ เพราะาศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาที่สอนให้เราออกเดินทางคนที่มีสิทธิ์รับประการมีอยู่กี่พวก8แปดจำพวกรใช่ไหมหนึ่งในแปดก็คือคนที่ออกเดินทางอ่าไหมคนที่ออกเดินทางอ่ะท่านศาสนาอิสลามเส่งเสรมิมให้เราออกเดินทางเมื่อออกเดินทางแล้วเมื่อเราไปไปอยู่ในตาบลไหนก็ตามเนี่ยมีสิทธ์ ที่จะอยู่ในหมู่บ้านของเขาในบ้านของแขกกี่วันสามวันเป็นที่เข้าใจกันนะแล้วก็นบีก็เสริมั้งไงนะมังกานอายุมินนบิลแล้วเป็ยาวมิลอาคิดฟายุคริมลอยฟะหูคนที่เป็นมุสลิมที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันอาคิราะมีเงื่อนไขทั้งสองนะศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะจะต้องต้อนรับแขกทีนี้การต้อนรับแขกเนี่ย วันแรกเนี่ยให้ทำอาหารให้สุดฝีมือเลยให้ดีที่สุดวันที่สองก็ลงลงมานะให้เบาหน่อยวันที่สามก็ธรรมดาสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโฮเทลไม่มีโรงแรมใช่ไหมไม่มีอาหารร้านอาหารแล้วก็ไม่มีเซเใช่ไหมร้านสะดวกซื้อ การขออาหารไม่น่าเกลียดอาศัยตามบ้านนอนไม่น่าเกลียดแต่สมัยนี้อลอสอลาเปิดเปิดโอกาสให้มีโรงแรมให้มีร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีร้านขายอาหารเต็มเต็มเต็มไปหมดก็มันก็เบาไปหน่อยอ่าแขกไปใครมาในหมู่บ้านเราวันนีเขาเข้าไปนอนโรงแรมได้ใช่ไหมแล้วก็มีร้านขายอาหาร มีร้านสะดวกซื้อเบาแรงไปหน่อยแต่หากไม่มีร้านประเภทนี้นะเราต้องรับผิดชอบกันอยู่เพราะเป็นหน้าที่เลยในตัฟซีอีกเล่มหนึ่งของภาษาซู น, น้าเลยนะเข้มมากเลยนะบอกว่าจำเป็นจะต้องดูแลแขกให้อย่างดีการดูแลแขกนะั้นมีรางวัลตอบแทนจากองค์กรเยอะมากเลยลินไบใบหน้าใบตาก็ต้องยิ้มอะไรทัด อธิบายไว้ละเอียดมากแต่ท่านเวลานั่งทานอาหารกับแขกเนี่ยอย่าอย่าบังคับให้แขกทานอาหารวิธีที่จะบอกให้แขกทานอาหารอธิบายอย่างนี้ทำไมท่านไม่ลองชิมอาหารประเภทนี้ทำไมทำไมท่านไม่ลองชิมอาหารนี่อร่อยนะมัใจ่กินมันจะทำไมท่านไม่ลองชิมอาหารนี่แหละอร่อยนะ นี่มารยาทในคุณอ่านอธิบายหมดเลยอัลฮัมดุลิลละสรุปแล้วการต้อนรับแขกเป็นอามันติซอแหละมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาวูวะตาลานะครับฟัมปะละกอฮัตตาอิลาอาตัยอัฮลิกอรียัดินอิสต์อัอมาอัฮลาฮ์ฟาอับาวทั้งสองคนจงออกเดินทางจนกระทั่ง เมื่อทั้งสองคนพบชาวเมืองหนึ่งทั้งสองคนจึงขออาหารจากชาวเมืองนั้นโดยถือว่าตนเป็นแขกฝาเบาแต่พวกเขาปฏิเสธไอยูดอยฟูฮาที่จะตอบรับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารฝาว า, า, าจัดฟีฮะจิดรอทั้งสองคนเนี่ย เดินออกว่างานตตรงนี้มัได้บอกจะกลับแล้วเดินออกมาเดินพรออออกมาเสร็จแล้วฝ่าวาจาดาฟีาสองคนนี้ได้พบในเมืองนั้นจิดารอนยีดาไปว่าไรกําแพงจิดารอนพบพบกําแพงอยู่นี่ดูไอยังก็บอกกําแพงในเมืองนั้นเกือบจะพังลงเอ็นลงมาแล้ว พบกำแพงเนี่ยทำา่าใจเองจะพังแล้วแล้วเป็นไงครับฟาอากอมาหูนบีวะลีขอดิษเนี่ยได้ไรนะจึงได้ตั้งมันให้ตรงอากอมาแปลว่าทำให้มันตั้งตั้งตงดันกำแพงตั้งตรงไม่ให้มันล้มไม่ให้มันพัง พอตั้งกำแพงเสร็จแล้วเนี่ยนบีมูซาคานกาแหละนบีมูซาพูดแลวิชิตะถ้าท่านประสงค์ลัตตะคอสตาเลยอาเจรอในการตั้งกำแพงนี้ให้ท่านเอาค่าแรงอัจรอแปลว่าค่าแรง เขามมซากล่าวว่าถ้าท่านประสงค์แน่นอนท่านเอาค่าแรงตอบแทนสำหรับมันในการตั้งกำแพงนี้ให้ตรงก็กได้อธิบายยังไงต้องการจะอธิบายว่าการทำงานทุกชนิดนี่นี่ความรู้ที่ได้จากจากอายาวัชนี้นะคว่าอาจรแปลว่าแปลว่าค่าแรงเนี่ยต้องการจะอธิบายว่าการ ขอค่าแรงเนี่ยการตั้งค่าแรงเนี่ยไม่ผิดหลักศาสนาอืมการตั้งค่าแรงไม่ผิดหลักศาสนาการขอค่าแรงทำงานไม่ผิดหลักศาสนาเพราะคุรานอายานี่เล่าให้เราฟังอัจโรแปลว่าค่าแรงการทำงานแล้วรับค่าเหนื่อยค่าทำงานไม่ผิดหลักศาสนาอนุญาตให้รับค่าจ้างได้ พราะเป็นซุนนะของบรรดานาบีนี่ไงหนบีมูซาพูดบอกว่าคุณเก็บค่าแรงเขาได้นะที่คุณไปอะไรนะ่ะดึงกำแพงให้มันตรงอนะ่ะแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคุณขอค่าแรงได้ทาําไมอัลลอฮ์เล่าอย่างนี้ต้องการจะเป็นข้อคิดเราว่าการขอค่าแรงไม่ผิดหลักศาสนาการตั้งให้ค่าแรงไม่ผิดหลักศาสนาเราคิดถึงนบีมูซาอีกข้อหนึงอนะ่ะนบีมูซาเนี่ย หลังจากที่หนีออกจากประเทศอียิปต์แล้วก็ไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้กำลังวาเวอยู่อยู่คนเดียวเนี่ยแล้วมีผู้หญิงสองคนใช่ไหมจำได้ไหมที่พาแพมาแกะมามาเลี้ยงแล้วก็มาเอาน้ำนบีมูซาก็าช่วยเอาน้ำให้แ ก, ผ, นน ก, นนกผู้หญิงสองคนนะนะี่กินน้ำลูกผู้หญิงสองคนนั้นเป็นลูกนบีกลับไปเล่าให้พ่อฟัง พ่อบอกว่าไปตามมาไปตามคนนั่นออกมาพอมาถึงบ้านเนี่ยหลังจากเจราจาเสร็จแล้วเนี่ยลูกสาวบอกว่าอิสต์จิรยาอาบัติอิสต์จิรหูโอพ่อจ๋าจ้างคนนี้ทำงานให้ค่าจ้างในกุณอานพูดเรื่องการค่าจ้างเนี่ยแ ส, สดงว่าการรับคนมาทำงานแล้วจ่ายค่าจ้างไม่ผิดหลักศาสนา เพราะฉะนั้นคนที่มีวิชาความรู้เนี่ยอย่างสอนกุปราชเนี่ยรับค่าจ้างได้ไหมได้แต่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ค่าอุลามาก็แนะนําดีนะไม่ใช่ค่าสอนหนังสือนะก็เรียกว่าค่าเหนื่อยค่ามาตรวเวลาใช่ไหมอย่างเวียนเข้าแปดโมงใช่ไหมมาตรวเวลาแป๊ะเลยแปดโมงแต่ไม่ใช่ค่าไม่จะเอาค่าจ้างสอนหนังสือนะไม่ใช่ค่าจ้างอะไรนะหนึ่งที่เรา มาตรงเวลาที่เราต้องเสียสละเวลาจากครอบครัวของเรามาหาอะไรนะมาให้ความรู้กับประชาชนอทีนี้ก็ดูดูดูอะไรนะดูภาษาฮะดิษนะครับดัลลลุนอาลาซิฮะจาวาซุลอิจาระอนุญาตให้เรากรับค่าจ้างได้วะฮียะซุนนะทุลอัมบียะวลัลเลียนี่เป็นซุนนะของบรรดานาบี และเป็นสุน na นของบรรดาเอาลิยะทั้งหลายที่อนุญาตให้เราเอาค่าจ้างได้ทีนี้เมื่อเอาค่าจ้างได้ตอนี้คนที่ได้รับเงินเดือนแล้วมตัต้องเลกอะไรสัาการอีกใช่ไหมถ้าบางคนได้ค่าจ้างไม่จ่ายสักการ์ดมีไหมมีเยอะไม่มีสัการ์ดให้ทำอะไรสดอด ก, ก ไม่มีสอดดก์ให้มีหัตยะมันมีอยู่สีอย่างใช่ไหมนะ่ะสกาศมีสอย่างหนึ่งสกาศสองสอดโกสามหดียะสอะไรวกักาฟเมืม่อคืนนี้ผมไปพบกับพี่น้องที่ลำสาลีนี่อย่าลืมนะนี่วันอะไรนะ่ะวันอาชูรอตรงกับวันอะไรวันอังคาร วันพุธใช่ไหมอ่าวันอาชุรอตรงกับวันพุธวันที่สิบสาวันพุธใช่ไหมล่ะตรงกับวันที่สิบมูฮัมหัดรอมก็สุนนะนบีให้ทําอะไรนะถือศีลอดเหตุนี้สุนนะนบีให้ถือศีลอดกี่วันอย่าให้เหมือนกับคนยาฮูดีอารออันนี้อิสลามสอนดีนะอย่าทําอะไรเหมือนคนยาฮูดี ให้ถือกี่อดกี่วันวันที่เกกับวันที่สิบเพราะนบีพูดบอกว่าถ้าหากฉันมีชีวิตอยู่เนะี่ยละอัซูมันน ต, ตาเสียฉันจะถือวันที่เกด้วยก็ให้ถื อ, อกี่วันสองวันเราอายุเยอะแล้ว6 0ส0บจสิบแล้วต้องพยายามรักษาสุนารคุงท่านนาบีถามว่าถือสินอดเนี่ยวันอาชูรอเนี่ยได้อะไรเมื่อคืนมีคนโทรมาหลายคนครับาาได้อะไร ไม่อยากถือหรอมีผลบุญเปล่าบอกมีมีมีอะไรแหละอลลอฮฺ Allah, อภัยโทษให้ปีที่แล้วหนึ่งปีทำดุริเลาะอลลอฮฺ Allah, ถือบวชวันหนึ่งอลลอฮฺลดโทษหนึ่งปีอ่ะอลลอฮฺอักุบ น, นั้นี่น้องต้องต้องนักเรียนถือเปล่าฉลองต้องถือนะถือถืออัอสริจัดการถือ ก็ถือนะถือวันที่วันที่9กับวันที่10หรือวันนี่อุลามะนะวันที่10กับวัน11เออได้10กับ11แต่นบีพูดว่าถ้าหาชันมีชีวิตอยู่ชันจะถือวันที่9อ่าเพื่อไม่ให้เหมือนกับยัวูดีท่านอุลามะอธิบายต่อว่า9กับ10หรือไม่ก็10 1 1ออย่างผมนี่ทุสาจะถือวัน10 10, 10กับ1 1เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เดือทางไปหาใหญ่ ว่าจะกลับกับพวกนี้อ네 <S toxic language> ัล้ออังคารธรรมาณก็อะไะพุทธพรหัสได้หรือว่าอังคารพุทธอย่างนี้เป็นต้นเอาพี่น้องสรุปสรุปสรุปนะอายะอัลกุรอานอายะนี้มีอยู่สองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งนี่อะไรนะการจ้างคนให้ทำงานผิดไหมไม่ผิดอ่าข้อที่สอง เมื่อแขกมาถึงบ้านถึงตำบนเราเราต้องต้อนรับแขกเพราะการต้อนรับแขกนั้นเป็นอะไรเป็นซุนหน้าของบรรดา น, นาบีนบีสอนว่างไงนะมังกานายุคมินูบิลละฮิวะลียวมิลอาคิดฟันยุคริมโอยฟหูต้องต้อนรับแขกทีนี้เวลาอยู่กับแขกเนะี่ยต้องยิ้มยิ้มแขกแล้วก็คนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยต้องกินที่หลังม่าใช่อิ่มที่หลัง กินก่อนอิม่มอิ่มที่หลังไม่ใช่กินกินก่อนแล้วอิมก่อนแล้วก็พูดว่ายังมีลูกอีกสองคนยังไม่ได้กินพูดทำไมอ่ะลอพูดประธานท่าท่า น, านอิมท่นินึกถึงใครมีซอบ้านนบีคนหนึ่งใช่ไหมาพาแขกของท่านนบีไปทานอาหารที่บ้านอาหารที่บ้านมีเป่าไม่มีมีของตัวเองของลูกก็ไม่มี หัวบอกเนียบ ว, ว่าเธอดับตะเกียงนะทาเป็นดับตะเกียงให้ดับพไฟฟ้าไม่มีแล้วเอาอาหารมาวางก็เธอทําท่ากินฉันทําท่ากินแต่เราอย่ากินให้แขกกินอลัลลอฮ์เนี่ยเห็นอย่างในอิสลามเนี่ยปาตาลาเนี่ยเมตตาคนประเภทนี้ท่านทราบก็ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่ออะไรนะใครเคยทําบ้างปัญหาเนี่ยเคยไหมต้องทําก็จะอีซานะ เสียสละให้คนอื่นก่อนทั้งที่ตัวเองมีความต้องการวายุซิรูนะจะอ่ำฟุสิหิมวายุแลกาลในพิธีมข้อสรซ้ในคุณอานเอาลอาาา่ะชมคนที่ให้คนอื่นก่อนมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมนะมีอยู่แล้วครั้งสองครั้งแต่ไม่เล่านะทำพยายามจำมาไว้ของดีๆที่เราทําตัวเองก็มีอยากต้องการให้คนอื่นก่อนเอาไปเอาไปเนี่ยมีตะวัลตอมแทรกเอาลอดทั้งหมดนะ ขอบพระพักษาของพระอง ل ا มาอวยพรด้วยก็สุริยาอิลลัลอัลบาลัฮ